อันเป็นไปเพื่อตั้งออกจากทุกข์เพื่อสงบพิเลธเพื่อปะลินิพพานเราต้องลอยเมื่อได้ฟังทรรนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าตะโกนสะดกตีทิ่สมดับหน้ามันจำแนกออกเป็นไปอย่างนี้ลูกก็ไม่เที่ยง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 พระสงทุกโลกกว่าเบีชีอุบาสุปัสิกาตอนไม้ไหนเหมือนกับท่นได้บรรทัดที่เราเข้าแถวกันอยู่ต่อเมื่อใดเราคนรู้ปฏิบัติตามเรว่อเราเป็นคนคนเดียวกันแล้วก็ช่วยตัวเองก็ช่วยคนอื่นไปในตัวเมื่อเราไม่หลงเราก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็ถือ ว, ว่าเราความช่วยทำความดี คนต่างเปลี่ยนน้อยเป็นดีที่เรียก ว, ว่าปฏิบัติธรรมก็ทำได้ปฏิบัติได้จริงจริงจริงไหนไม่ทําไม่ได้พุทธเจ้ามาได้สนอนพุเจ้าสอนในสิงที่เราทําได้ไม่ใช่ไม่ใช่เรานิยายที่ลงไปเลย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 แน่นอนที่สุดมั่นใจที่สุดอะไรที่เกิดจากเราเราเห็ น, เ, หนเราแช่ไขได้เราแช่ลายชีวิตประจำวันแช่ชีวอลเราก็ได้ใช่ด้วยมือของเราชีวอลมันสอาดมาแต่เดิมเมื่อบรรทุ ก, กับร่างกายแล้วเน่าแล้วมันก็หมินชีวอลบางรูปบางองค์หมิน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 นี่ว่าสมมธิติหวมดำหลิก็ดำหลี่ออกฉากมันไมน่ไม่รูปคำานั้นเกิดที่ไหนดำลีออกรีออกว่าออกไปมันหลงข้างใดก็ออกไปอันหัดต้องออกไปเพียนไปดำหลี่ออกไดเป็นคำพูดก็พูดในจังเจนนี ไม่ให้เป็นการเบียดเบียนตนอย่าให้เกิดความหลงนะพูดไม่เป็นก็ช่วงให้ชิงเวรร่มไม่ดีเกิดความหลงได้ <c oughs> คิดไม่เป็นก็เกิดความท <c oughs> ุกข์เป็นโทษได้ <c oughs> การใช้ชีวิต <c oughs> แม้แต่การอยู่การกิน <c oughs> อย่าให้เป็นไปเพื่อตัวตวนให้เป็นไปเพื่อไม่ใช่ตัวใช่ตน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 รูป ก, กุ้งหอมนามให้เห็นตามความนจริงให้ทั้งรูปทั้งนามไ ป, ปรพร้อพ้อมกันเป็นการพรดาคุณภาพชีวิตรูป ก, ก็ใช่มันถูกต้องนามไม่ใช่ถูกต้องอยาชิดให้กระทบกระเทือนเป็นขึ้น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 ให้มันเห็นแต่อย่าให้มันเป็นถ้าเห็นไม่เป็นก็เรียบแล้วถ้าเป็นหรอกก็ไปเรียบขุขะเป็นฉุกก็ขุขะเป็นทุกข์ก็ขุขะยิ่งมีความหลงความลอะความจังขุขะไม่เรียบเหมือนกนัทางมีขึ้น่นโนดวิ่งได้ยาก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 หนักด้วยความมีความเป็นเป็นสุเนกเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นลากเป็นชางพอใจไม่พอใจมันหนักที่เด็ด ต, ตันหาหลคกะโทจะมอหนักวิ่งมนค่อยสะดวกอึอดอัดต้นชาไม่สนุกเธอจงเวิดน้ํในเรือเธอออกให้มันเบาเพื่อวิ่งได้ไห่วยถึงจุดหไห้เบี่ยทางได้ง่าย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 เสากระโดงมากเป็นขึ้นไปสมงทมันโสดู้อยู่ข้างล่างไม่รู้จักช่วยตัวเองไม่มีพลังอ่ อ, อนแอไปเลยจม อ, อยู่ท้องเหนือใต้ใตใตมาชอบเป็นขึ้ น, นไปเสากระโดงเมื่อเหลือร่วมก็ค่อยๆค่อยๆ <c oughs> ตั้งท่าดีก็ไม่ต้องออกแรงเพราะเตรียมแล้วมีอาจจะมีอะไร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 หรือบาดพระรงบาลังอยูงไม่เตรียมตัวก็ลอยกระปุกกระป ก, ปะปกเกือบเจ็ดตายเรือประมองก็เห็นเหลือมันล่งหมดแล้วพะระ้อยคออยู่อาจีวรของขอ ง, ของทั้งบาด ท, ทั้งย่ามแล้วก็ย้นเชือกลงแสงตอนนั้นเราก็ตั้งทา่าเห็นเหลือล่มหมดจีวรปลด อ, อกจากตัวเรา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 โมอยเขียว <laughs> ผูกหลักเดีย ว, ยวหัวจุ่มกันไวนะ้อะไรที่มันผูกหลักเดียวมันจุ่มกันอยู่น่ะฮนะ <laughs> มันมีหลักเดียวอะเชือดเส้นเดียวผูกไว้น่ะทำไมเจ้าาคือเน่ยนะหลักปฏิบัติมาเป็นห่วง เหมือนทาไว้ไหนก็หล่อสตินะเหมือนเสือขังเสือเสือหกปากไอศิวที่พูดใน้ฟังไหมไม่มาหลายข้างแลาวเสือหกปากเลี้ยงยากกินอาหารต่างกันแต่ละปากปากหนึ่งเขากินอาหารแบบนึงปากหนึ่งกค่กินแบบหนึ่ง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 อ้าวก็ทำกงขัง200สองรยสามสามรยสองรยยี่บเ็ดขี้ไม่อยู่แล้วบอกอยีหลังกลับไปไม่อยู่เอากองสักแปดสักสิบขี้ซะแล้วทำกงสิบขี้ขังเสือเข้ามาอยู่บอกให้เอากองสักแปดขี้ซะ มขังเสืออก็ไม่อยู่เอากงสชีซะมาขังเสืออยู่วเากงหชีมขังไม่อยู่ไอก็บอกแค่เอากงกงเดียวขงเสือซะมาทากงเดียวขังเสือเสือหยุดเลยตายเลยเสือนี่คือแทกกงชีสท่คือไร หมายถึงระเบียบไว้ไหนสิ้นสองอยยี่สิบสิ้นสองสามรอยสิ้นสิบสิ้นแปดสิ้นห้าไม่อยู่อย่างที่คนมีสิ้นทุกวันนีสมาทานสินมีพระสงฆ์ปฏสมาทานสิ้นสอง้อยยีก็ยังมีเท่าหน้าหลังสี้เพิมม่มอยู่รวดเร็วที่สุด มือถือสอกปากถือสินไม่อยู่เอากงท <คง S 1> ี่เดียวเนี่ยคือสติเนี่ยง้ออีกเขียวเลยเนี่ยปกหลังเดียวหัวจุ่งกันหมดมีสติเนี่ยให้รู้สึกตัวเนี่ยมันไปไหนไม่ได้แล้วมันจงผ่านตรนนี้แหละเป็นเทวันบานตนนแนวปฏิปธานจีวิปัจรนญญาณเป็นป้อมปาการ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 เห็นทุก์น้าสามมหาทิติเจ้หอบแล้วเห็นเหตุที่เกิดทุกเห็นวิธีการออกจากทุกเห็นในตับทุกได้แล้วเสร็จเลยทันทีพิมกันติสี่อย่างสามอย่างในขณะเดียวกันเห็นเห็นทุก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 เว้นจากการท ร, รเลาะว่าดเว้นการเบียด เ, เบียนตนเองก็สงบร่มเย็นเมื่อทำได้แล้วก็ไปบอกคนอื่นเป็นแบบเป็นฉบับตัวอย่างดีกว่าคำสนอนทำให้ดูอยู่ให้เห็นเยนให้มันรู้มีสติร้อยประชมันหลงมีสติไม่หลงมันโกรธมีสติไม่โกรธมันทุกมีสติไม่ทุก จะให้สิธิของเราให้เป็นธรรมทุกุดไม่ว่าท ร, ร ม, มาเทพตายทำ ม, มาเทไตายยะจำปชมำเหรอทุกคนต้องต้งตงนตรนี้จะเป็นคนคนเดียวกันแต่เป็นอันเดียวกันเพิ่งผาเสกันได้เราก็เพิ่งตัวองได้ไม่เป็นอะไรก็เป็นไร ว่าสนุกหล้วป่าคนที่ไม่เป็นอะไรคิดไม่เป็นอะไรอะไรมันก็สนุกทำงานทำกามเมื่อควา ม, มไม่เป็นอะไรไม่ใช่อยู่เฉยๆมันอยู่ไม่ได้ไม่ต้องมีคำสั่งถ้าเข้าถึงแพร่กะายนี่แล้วไม่มีคำสั่งใครมาบอกคิดจะช่วย น, นั่นิดจะช่วย น, นี่เป็ลไเห็นเราไม่ทิ้งเรา